แจกฟังครับอย่าโยกน้องไม่แจ่ฟังหลังจากรรทำมาเตาเราก็ต้องมีการอบรมกันมีการแนะนำชี้ทางให้กันวันนี้ก็มาพูดกันเรื่องความเป็นคนและคุณค่าของคนคนเราเนี่เกิดขึ้นมา เป็นคนแข้งขาหน้าตาเหมืนเขาเป็นคนแต่จิตใจนั้นอาจจะบุตรผลก็ได้หรือเป็นคนก็ได้แต่ว่ามันมีลักษณะอยู่บูเหมือนกันคนเราบางคนนั่นก็พูดง่ายบางคนก็พูดายากบางคนก็เข้าใจง่ายๆว่า và, บางคนก็บ่นอยากเข้าใจ เนี่ยหลักตัวหนักของคนทีบุกสูงกันของจี่เห็นได้ด้วยสายตาของง่ายๆบางคนสูงบางคนต่้มบางคนก็ดําบางคนก็ขาวเป็นอย่างไรหน้าตาแข้งขานั้นแท้คือการมีคือกั น, กนลูกพ่อเดียวเมียเดียวกันนี่ก็คือกันบางคนก็ว่ายนากักบางคนก็ว่าง่ายบางคนก็ดีบางคนก็เร็วเป็นอ่าง บางคนก็เป็นคนรวยบางคนก็เป็นคนจนเน่อเพราะว่าลักษณะจิตใจบูรณาันเขาจงว่าให้รู้จักคนจริงๆแล้วก็ให้รู้จักคุณค่าของคนจริงๆคนเนี่ยเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันต้องธรรมศาสต ร, รเก็นกคนมันก็ต้องเป็นลูกคนมันก็ต้องเป็นคนแต่จิตใจนั้นเลวสามบม่รู้จักบูรณาคนเลยนะจว คนเราเกิดขึ้นมาต้องรู้จักว่าความเป็นคนรู้จักคนเป็นคนแล้ให้รู้จักหน้าที่ของคนรู้จักหน้าที่ของคนก่อนรู้จักขลุบรู้จักขลุพคนรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักบุญคุณของตัวเราก่อนตัวเราเป็นคนก็ต้องรู้จักบุญคุณของตัวเราก่อนเมื่อเราบรู้จักบุญคุณก็บรู้จักตัวเรา มือรู้จักตัวเราก็รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่เราก็ตอ บ, บุญแทนคุณของพ่อของแม่ไมอรู้จักตอ บ, บุญแทนคุณของพ่อของแม่แล้วมันก็รู้จักบุญคุณของประเทศชาติบ้านเมืองเมื่อุณเจ้าฟามหากษัตริย์แล้วติวาไปดังนั้นเราเกิดในเมืองไทยเป็นคนไทย เป็นศาตไทยสันทาไทยประเทศชาตบ้านเมื อ, องอพรเที่ก็รู้จักมูลคุณก็รู้จักตอบแทนกันที่ว่าเป็นคนบัดนี้เราเกิดมามีศาสนาบางคนก็มาบวชเป็นเนเป็นพระบางคนก็เข้าวัดจำสินรักษาศีลให้ฐา น, นาให้รู้จักคุณค่าของพระพุทธเจ้า ถ้าหากเราบุญรู้จักคุณค่าของพระพุทธเจ้าเราก็บ่ได้ตอบแทนคุณของพระเจ้าถ้าเราบุรู้จักบุญคุณของเราก่อนมันก็บุรู้จักเลยรู้จัก บ, บุญคุณของเราจินีก่อนคนมันบุน้ง่สวยใส่งามยนต์แข้งขา ห, า, าหน้าตามือเท้าไม่งามแต่แข้งขาหน้าตามือเท้านางงามก็นี่วงงามก็มีมมมคุณอเอาจิตใจจิตใจดีจิตใจงามคน ไ, ได้คนอย่งว่ามีคุณ บางคนนั้นหน้ า, นาตาแค้งขางามสดสวยดีแต่จิตใจเลวสามก็มีมีปัญจะว่างให้จักคนการเบื้องคนเพราต้องดูคนให้เห็นคนให้รู้จักคนคนวันจะว่าเขามาบวชเป็นเนรเป็นพระเมื่อมาจำสินมาปฏิบัติธรรมต้องรู้จักคนนี่ต้องรู้จั ก, อจกของรู้จักคนแล้วก็รู้จักหน้าที่ของคน รู้จักปฏิบัติตัวของตัวนัให้เป็นคนคนนั่นจึงเลือกคัดจัดเอาได้ถ้าหากเลือกเอาโบได้จัดเอาโบได้กับโบเสคนหนึ่งโบนี่คนจิตใจยังเลือกเอาโบได้เลยไหมยังหูจักดีรู้จักซัวดิคันหูจักแต่ดีอันเดียวกับโบเนี่ยหูจักแต่ซัวอันเดียวกับโบเนี่ยคนไ่ะให้รู้จักทั้งดีเลยทั้งซัวคนพอแม่ครูบาอาจารย์บอาเขาตื่นมาเขาไปหั่นมานี่ ให้เหลี่ยวหน้าเหลี่ยวหลังเหลี่ยวซ้ายเหลี่ยวขวาอันนี้มันเป็นคำพูดที่เหลี่ยวหน้าเหลี่ยวหลังก็เหลียวเบื้ข้างหน้าเหลี่ยวบนข้างหลังเหลี่ยวซ้ายเหลี่ยวขวาก็เหลียวเบื้องตัวเขาเหลี่ยวเบื้องภาคภูเขาเป็นลายการจังหวัเหลี่ยวซ้ายเหลี่ยวขวาเหลียวหน้าเหลี่ยวหลังเหลียวไปเบื้องหลังเขาทำดีมาแล้วหรือทำชั่วมาแล้วเขาจึงหัจใกว่าเราเหลี่ยวหลังเขาเกิดมาเนี่ยเข็ใหยแดงแดงหัวัก เดี่ยวไปข้างหน้านี่ยก็มีแต่มองไปทางหน้าที่ยากไต่ดีโบได้เห็นข่มสั่วของเขาโบาได้เห็นข่มผิดของเขาเขาก็เลยรู้วาจักผมบได้แก้ปัญหาเรียบสายเรียวขววเรียวเบิง้งคนกําลังมีอยู่เป็นอู่กาลังเราเห็ุเราทําอยู่มันทําผิดทำถู้ทานี้ถึงตัวเราจะได้ดรู้จักมันเดียบสายเรายบหัเรียวเบื้องตัวเรารู้ว่าจากักแล้วก็เป็นผลเลือกทำแต่ที่มันดี ทบบี่เป็นบุรีของบุทฐานเป่นคนค้นอะนรเนี้ยก็รู้จักความเป็นคนรู้จักหน้าที่ของคนรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของคนรู้จักแล้วก็ตอบแทนตัวเราตัวเรานี่ตอบแทนตัวเราได้บเส้นที่บทเส้นในเทวดาบทเสนนี่อย่างมาให้ได้เห่านะี่ของที่เราที่แับ น, นี้เมื่อรู้จักก็รู้จักมุมกลุ่มของพอ่อของแม่ของอายของน้องของหมู่ของเพื่อน พ่อแม่นี่หลักลูกคนวางเงิอกับลูกตาสมมุติเอาทือมีลูกผู้เดียวนพ่อแม่สองคนมีตาซี่ตาลูกผู้เดียวมีตาสองตาเกิดขึ้นมาล้ตาบอดแล้ลูกเจ้านี่ถ้ามีตามาใส่สองตานี้จิตได้เป็นเจ้าความหากแต่ที่ดีที่งามเนี่พ่อแม่มีพวกตาให้ลูกเอาตาพอตาหนึ่งเอาตาแม่ตาหนึ่งัะ เราใส่ตาลูกสองตาพ่อแม่ก็ต้องมีตาเดียวกันนี่เป็นอย่างรเพราะลักลูกอยากให้ลูกดินแต่ลูกนี่เกิดมาบางคนพ่อแม่สอนโบได้เป็นอย่างไรพวกฟังเนี่หาว่าพ่อแม่บรักบอลแทนตัวเองนี่ยเข้าใจผิดแน่นอนอันนี้โบใส่ขนได้ไหมบุ๊มบ้มขนเดอแต่ขนยูแต่โบใส่ขนบุรู้จักเขารบนักถึงพ่อแม่ พ่อแม่นี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆจนเขาจนแกจนตายจากกันไปหมดเลยแล้วตายแล้วพุ่นยังจะไปให้บุญหาพ่อหาแม่อันเมื่อไยังเป็นเป็นอยู่ดีบุ่นรู้จักเขลบุบรู้จักนั บ, นบถือมีอย้ยนะอันนี้บุตรไม่ขนได้หนึ่งแกว่าเกิดเป็นคนก็จริงบุตรขนบุรู้จักคารบนับถือเด้งหนึ่งนี่เป่นวายังจั้งแต่รู้จักคนเมื่รู้จักคารบนับถือพ่อแม่ก็รู้จักคาุบรับถือครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์พูดแนะนําให้ผมฟูงผมเห็นผมสะลดัดทำอิทนี่เราคิดสั่งตะก่อนคบดรู้จักบุญคุณคนอย่างนั้นคนสมัยนี้จริงหอวาค่อยรู้จักบุญคุณรู้จักคุญค่าของผมเป็นคนรู้จักอยู่แต่หากว่ารู้แต่ว่าโบได้ปฏิบัติอันนี้เอามาเล่าสูา่ฟังชาวคนต้องรู้จักเขาล้มนักถือเขาล้มนักถือตัวเฮาพี่แหละบบแม่งเขาร้มนักถือพ่อแม่ไม่อย่าง เขาทำหน้าที่ของเขาเนี่ยนั่นเป็นการเคาหลบพ่อแม่เขาซื่อๆนี่เลงเขารลเพื่อนฝูมเขาคือนี่เองในคนเอิ่มรู้จักหราผมเป็นคนรู้จักหน้าที่ของคนและรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเป็นวันเมื่อรู้จักซัศจรรย์เอื้นคนรู้จักคัดเลือกเราได้บัด น, นี้รู้จักบุญคุณของประเทศชาติบ้านเมือง ประเทศเขาเนี่ยมันมันมีเจ้ามีนายยู่ผู้เดียวพอได้แล้วก็มีป้ามีน้ำคนะหาเขาบุรู้จักกันตั้งกับบุญสัคนอีกสิ่งนึ่รู้จักบุญคุณของประเทศชาตร์บ้านเมืองเราบุรู้จักเดี๋ยวนี้สมัยนี้ผมว่ารู้จักน้อยรู้จักแต่อยากได้เงินอยากได้ซื้ออยากได้เสียงอยากได้เกียรตอยากได้ยศนี่อันซื้อเสียงเกียรตยศ ด, นนดนันดีแล้ว เัาเงินทองนั่นได้ก็ดีแล้วแต่ถ้าหากวรู้จักไปแล้วก็ตัดไม้ในป่าเนี่มืดแห้งเลยหมน้มกับวมีอึดน้มกับนี่แสดงว่าของวู้รู้จักประเทศศาตบ้านเมืองยังวู้รู้จักข้อรบกฎหมายไหมยังกฎหมายบอกไว้แล้วอย่างบุคล บ, บุนับถือจแสดงว่าเป็นคนบูม่นคน ยึดแสดงว่ารักศาลลักศาสนารักพระมหากริย์บูเมว่าซื้อคนรักซาลลักศาสนารักพระมหากษัตริย์รักประเทศชาติบ้านเมืองของเราจองรู้จักไหมกฎหมายว่าจังไดนเฮาให้จังไดนเฮาก็ต้องรู้จักเขาลบเสือเสียภาษีอากรจังไดนเราก็ต้องรู้จักเสมเพาะหน้าที่มันมีอย่างนั้นอันนี้เฮาบูรู้จักเรามีแต่เอารัดเอาเปรียบกัน มีแต่ควมอิจฉาลิษยากันยือแยงแท่งดีกันต้นเลยเดือดร้อนเมื่อเดือดร้อนเนี่ยดเดือดร้อนเจ้เหาได้เดือดร้อนผู้อื่นคนได้บนอยวันนี้คนเนี่ยมันจึงบุรุษจักจึงทำให้สังคมนี่เดือดร้อนน้อยที่สุดเพราะคุณค่าของคนบม่มีคุณค่าของธรรมะบ่มีใน ใ, นใจให้เราได้ไป รักแต่สวยแต่งามรักแต่เงินแต่ทองรักแต่ซื้อแต่เสียงรักแต่เกลียดแต่หยดแล็บว่าได้คิดถึงว่าเราทำนี่มันถูกบอมันผิดบอบอได้เบิ่อเมื่อเป็นอย่างตใจจริงคนนี่มันบอเข้าใจเมื่อบอเข้าใจก็ทําผิดพุดผิดคิดผิ ด, ผดนําความสับสวนวุ่นวายความเดือดร้อนมาให้ตัวเขาเมื่อมีความสับสวนวุ่นวายความเดือดร้อนมาให้ตัวเขาแล้วการขัดแย้งตัวเขาก็ดีแล้ว มันมีขัดแย่อยู่ภายในจิตใจอะคนนี้ให้จังสันดีให้จังทีสั่วเขาบูรู้จักเฮาให้ใจดีซื่อเดียวนี้เขาบูรู้จักสัวอันนี้เป็นว่าคนบูรู้จักประเทศชาติบัานเี่ยบูรู้จักคุณค่าของประเทศชาติบัานเี่ยบูรู้จักคุณค่าของเจ้าฟ้ามหากษัริย์บูรู้จักเขาลบนักถือให้ว่าเธอไปว่าอนี้อันนี้ก็บโแม่นคนนละยคนมันต้องรู้จักยังว่าคนบูคือกันพ่อเดียรแม่เดียวกเรบูคือกัน เอาเหตุด้วยตาของบางคนก็ดีบางคนก็บดีบางคนก็ว่านยากบางคนก็ว่าง่ายนะครับบางคนก็สลาดเนี่ยมันบวกกับการเจ้าคุณค่าของคนมันเว่ามีบเหมืนอนย่างให้ห่วงวิจาศึกษาตัวเขาจริงๆวันนี้คุณค่าของพระพุทธเจ้าแบบให้เจ้าไหนเราคิดได้ตอบบุญแทนคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียพวกนี่ คนอินเดียเนี่ยพระเจ้าวัตถุนิยคนไทยพี่คันถ้าเรารู้จักคุณค่าของมพระเจ้าดอกก็ต้องเคารพพระพเจ้าเช่วนวาพระพุทธเจ้าสอนอย่างแดดเนี่ยสอนให้หู้จักตัวเราสอนให้หัวจักว่าพ่อเราแม่เราสอนให้หู้จักว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราต้องรักต้องแสบเหมือนคันนักคันแพงเขาให้ยังไนเด่นนี่ขเขาเห้เรียกว่เบวชเถื่อน วัเฮ็ดตแสดงว่าเขาเป็นคนภักกดีคนเนรคุณคนคนบม่รู้จักขรุ่นก็คือคนโกคนเขาซุมัอจีนว่าเฮ็ดไปตามอารมณ์ที่คือมักตั้งนต่ก็เฮ็ดป้ายกินเห<ม>นเล้าเนี่ยพิดได้กินเหล้าเหนื่องควนว่าผิดโตสุราเนี่ยคนว่า<ม>เล่นการพ น, นันดูการเล่นเที่ยวกลางคืนสอกผู้หญิง ผู้หญิงก็ชอบผู้สายพิษเนีนี่เป็นคนวาไวเนี่ยในหนังสือว่านักเลงผู้หญิงนักเลงสุลานักเลงเที่ยวกลางคืนนักเลงนี่กันโอ้หลายข้อหลักต้นักทันทนสี่คนวานเขาเฮียนซื้อบวชเป็นเนนเป็นพระเฮียนแล้วซึ้ออกไปกับกินเหล้าเล่นการพัน น, นันโอ้หลายอย่างที่แม่เขารักพระพุทธเจ้าบวชบนเมร์ อันคุณค่าของพระเหลืองมีมีมากที่สุดแม้เป็นผู้ใหญ่ บ, บ้านกำนันกย็ยกมือไหว้พ่อแม่เขากย็ยกมือไหว้นะยกมือไหว้พ้าเหลืองนี่ยบอกว่าตั้งแต่พ่อแต่แม่ได้เจ้าฟ้ามา ก, ก็ตัดสมมุติเอาซื้อด้อนะย่างเออสมมุติว่าในหลวงกันได้พระจะเพิเดิงก็ได้นี่ยยกมือไหว้ยกบือไหว้ผ้าเหลืองคุณค่าของพระเหลืองจึงมีมากคุณค่าของพระพุทธเจ้าจึงมีมา พาเรื่องซื้อๆนี่เขาเจ้าบัวดได้ยกหมือไว้ได้บัวแม่ยุ่นตามถนนค น, ห น, นทางยื่ตามตลาดเงี้ยเจ๊กจีนขาเจ้าบัวลูกคนไทยก็สร้างกึ้นอย่างไรต่างหายพระเหลือกันข้าบัวดได้นกเด้ขกข้าเจ้ายกมือไหว้เลยพอมาแปะแต่คนแล้วบางทีขาเจ้ายกหมือไว้เลยแล้วเขาได้ทําหน้าที่ของเขาอยางต่าได้บอกอย่างนี้ถ้าหากเขาได้ทําหน้าที่ของเขาอย่างต่างกบสแสดงว่าเขาอยา่างรู้จกักสุนค่าของเขาเจ้า เขาต้องศึกษาเล่าเรียนให้รู้จักคุณค่าของพระพยยุทธเจ้าจริงๆถ้าหากทุกคนรู้จักคุณค่าของพระพุทธเจ้าคุณค่าของพอ่อของแม่คุณค่าของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์แล้วเป็นว่าเลิ่อนหมิ่นธรรมะหองใจเป็นว่าถ้าหากเขามีธรรมะหองใจแล้วนัอยู่ใส่ก็บบเดือดร้อนบวมอยู่กลมติดความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นพอหัวจักตัวเห่านี่เด็กหัวจักคุณค่าของคน มุ่จากคุณค่าของคนเป็นคนรู้จากหน้าที่ของคนที่จะเอาไปปฏิบัติมันเองเพราะเยาวาคนเนี่ยเป็นสัตว์ก็ได้เป็นคนก็ไดเป็นมนุษย์กระไดเป็นเทวดาก็ได้เป็นพระเรียบคนก็ไดคนนี่แหละอย่างนั้นพระมุขเจ้าจึางเกิดในประเทศอินเดียคุณเกิดกลางดินเนกตายกลางดินตัดฟ ร, รู้ เป็นพุทธเจ้ากับกาลางดินนี้เองเขาเข้าใจว่าไวา้โบได้ไปเกิดในเมืองสวรรค์สันฟ้าน์ไม่ใช่ไหมโบได้ไปตายเมืองสวรรค์สันฟ้าร์ไม่ใช่ไหมนิพพานนั่ น, นก็บโได้อยู่สวรรค์สันฟ้ารเดียอยู่ําตัวเหานี้เองพ่อแม่เคยว่ายฟังความทุกข์ความสุขอยู่ในตัวเหานี้เองบุญบาปอยู่ในตัวเหานี้เองแท้หกบุญหุ่นจักรเพณวสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจอยู่ เขาบอกเขาบ้วชักเมื่อเขาบ้วชักเราจิตปฏิบัติทูกบทบททุกแล้วของบ้วักเป็นว่าโลกุตระโลกียะเป็นว่าสวรรค์นิพพานมันเป็นคำเดียวกันนะี่สวรรค์ก็คือความสุข ก, กายสุขใจอยู่ดีกินดีพยายามนี่เป็นว่าสวรรค์แปลว่าสวรรค์อยู่ในอกนันลกอยู่ในใจเมืลกก็คือความทุกข์นั้นแล้ว ความเดือดร้อนความสับสวนวุ่นวายคิดแล้วมีแต่ทุกข์เข้ามาทับถมจิต ใ, ใจของเราอยู่เนี่ยเปนอนโลกเหนนิพพานเหมือนนิพพานคือความเห็นแจ้งรู้จริงแก้ไขปัญหาตัวเองในแก้การขัดแย้งในใจของพี่จะเบื้องจิตเบื้องใจเราพนี่มันเป็นนิพพานอยู่ที่นี่นิพพานนีคือความดับทุกข์ได้เป็นว่าคนรู้จังท่า น, นมาจิเป็นทนบมดมันก็มาฆ้ามันก็ฆ่ า, าทุนท่านวะ คนมาเกิดเป็นคนนี่คล้ายๆคือเขามาค่ามาขายคนบางคนค่าขายเป็นได้กำไรคนบางคนค่าขายว่าเป็นก็ขาดทุนยังนั้เขาจึงจ้างผู้มีสติมีปัญญามีขุมโฮไปเป็นผู้จัดการบริษัทห้างร้านบริษัทห้างร้านบางคนก็อขาดทุนจักเยินไปเมื่อ่มไปเมืบริษัทห้างร้านบางคนก่อนได้กำไรไปเป็นอะไรยังว่าเอามาบวชเนี่ย ให้รู้จักจริงๆถ้าเขาไม่รู้จักจริงๆเราลําบากเลยลำบากที่สุดเพราะว่าเขาจิตเป็นคนในลน็อกเป็นคนอักขันขงูเขาจะรู้จักคุณค่าของคนเขามาบวชเป็นเนรเป็นพระเวลาโอกาสมันดีแล้วเขาศึกษาดีแล้วจะได้รู้จักปฏิบัติให้รู้จักโบแมนที่มาบวชเรียนนักธรรมทีนักธรรมโทนันกธรรมเอกเรียนเป็นม ห, ม, มหาแล้ว<ม>ว่าจะรู้จักพุทธาศาสนาโบเมนเนี่ยโบเมน เรียนไฟล์โลกเรียนปหนึ 1, ่งปสองปหกหรือยังไดผมบุกเคยเข้าโรงเรียนผมบุกไม่จังเรียนได้เป็นมัธยมหนึ่งมัธยมสองเจนได้เป็นมหาปริยาคนละปริญาตีปริญ า, าโทปริยาเอกคอนละอันนั้นเรียนรู้ซื่อๆได้ยังบุได้อะมาใส่ได้นะ่ะบางคนเรียนมากหลยคิดบุไม่จักอยุ่เป็นบ้าพอคิดก็มีเด้ ความคิดเดี่ยมันทั้งดีทั้งตัวจะว่าเขามาอยู่ที่นี่มาปฏิบัติธรรมะนี่ต้องปฏิบัติตัวเขาจริงๆต้องเอาไปใช้กับชีวิตเขาจริงๆอย่างญาติโยมก็คือกันมาปฏิบัติธรรมะอยากหูนั้นหูนี้หูแล้วก็บา ป, ปฏิบัติมาที่มีประโยชน์นี่หูแล้วบวมาใจมันก็ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างเนี้ยบวมหูแล้วดีเลยหูแล้วบวปฏิบัติบวได้ประโยชน์เป็นยัง <c oughs> ได้ยินในครูบาอาจารย์น้อยฟังพระตุกสาพโพธิละเรียนรูพ้พระไตปิดกแตกตาในพระไตปิดกมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นร้อยเป็นพันปฎแแดงธรรมที่ได้คนนกยองสนั่สนิทเมิดถ้าหากพระตุกสาพโพธิละนิวาผิดกับวก้าขัดขานเพราะว่าย่านขุ่มหูของข้าเจ้า ไปสอนลูกติดลูกหาได้เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดากรณีเป็นพระสักีตาคาพระนาคาเป็นพระอรหันก็ณีแต่ตัวเองนั่นนะโบได้เปลีนมิยังมีแต่หูเทสนี่สื่อไปเทศแต่คนได้ยินซื่อเสียงมากก ว, วา่าเขาลบนับถือเมืดอมาเป็นผู้รู้ผู้แตกสานนี้่ว่ามีผู้ใดที่สามารถโต้เถียงได้ไหว่าเดินไปสมัยนั้นคุณว่าให้ฟัง บัด น, นี้ก็ได้ยินพระพุทธเจ้านี่ก็อยากไปหาพระพุทธเจ้าคิดว่าจะไปโต้เถียงพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยจะไปแสดงอิทธิปฏิหารข่มรู้กับพระพุทธเจ้านี่พอดีไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าออกมาหลับตามธรรมดากระราบตามปกติพระทรงของรู้จักกาบรู้จักไว้เนี่ยกาบกาบปรับปรับอยู่กับฤๅพระพุทธเจ้าก็ะไรทางมาแล้วหรือ ไมลานเปล่าไมลานบ่มีตัวหนังสือไมลานเปล่านีก็เลยคิดได้เอ๊ะทํำไงเรามากราบมาไว้ทำไมเออไมลานเปล่าให้เราโ น, น, น่นก็เลยบุเร็บุเร็ถาม บ, บ, บริเจ้าก็เลยว่ากันลมกันคุยกันสนทนาไปเรื่อยเมื่อบุเรศสนทนาเรื่องธรรมะเลยพรอว่าเลยเลยเลยบ่มีปัญญาที่ถาม บ, บ, บริเจ้าเลยคิดไปแต่เรื่องอื่นที่ถามเนี่ยก็เลยคิดบ่ บัดนี้ถึงตอนเย็นมาก็เลยจิขับวัดตื่นกันกล้าพอเจ้าก็ตื่กลาบจิขับวัดจิขับแล้วหรือกกำผีเป่าด้วยเมื่อไปทําอิทนาวาไปหลานเป่าบัดจกลับขึ้นมาตัวเอิ้นกำผีเป่าอีกตื่ว่ามีตัวหนังสือนว่ามีคุณค่ามิยังเรียนพระใจปิดดกจนแตกต่างวิญคุณค่ามิยังในปณิวัฒน์จึงว่าคุณค่าของคนเน้นได้ยู่กับกลมดุยุ่กับการกระทำคุณ ก็ได้กลับขึ้นมากลับขึ้นมากรรมฐานาลูกทิศลูกหาอยากเรียงกรรมฐานอยากปฏิบัติกรรมฐาน ถ, ถามไปเมื่อผู้เป็นพารครับว่าสามาที่กิศน์เมื่อไปพบออกกับหนึ่งว่าไม่ไปพบดอกลูกสิธย์ของท่นทานนั่นเองถาม้ายถามไปเนรสอนกรรมฐานอาจารย์ได้บอาาสอนได้ครับถ้าอาจารย์จีเสื้อฝังควงผม ลดมานะลดทิฏฐิคันทาอาจารย์ลดมานะลดทิฏฐิผมสอนได้เอออาจารย์จี้ลดมานะลดทิฏฐิทั้งหมดแต่ว่าเนนจีสอนให้อาจารย์ได้เถิๆสอนได้เถิดแต่ผมว่าอันใดให้อาจารย์เชื่อฟังต้องปฏิบัติตามคําของผมได้ครับไปเออเอาเนนน้อยก็สอน จะบริสุทธิในขณะนั้นก็จทีเป็นมือหน้ามือหลังบางทีอ่าสอนให้กม บ, บูรณ์จักอะไรแต่เพียงครูบาอาจารย์คนลองให้ฟัง <c oughs> พระตุสาโพติละนี่เขาเอิญเนาะพระโพธิละเบลานเป่ากาันเป็นว่าโพธิละเบลานเป้าซื้อจริงในะเจานะพระตุโสโอติละพรตุโสบอกเลอว่าเนี่ยคือวายอย่างนี่ยโอติละ วันนี้ก็เลยไปหาเนงมือน้ำมาเนก็บ้องให้คลุมเสือเอส้อคลุมผ้าใกล้สังขารจีวรให้ครบสุดนั่นแหละไปไปหาเนงเนงก็เลยอมองว่าเอาอาจารย์ลงไปบวนน้ำนี่คือคลา้คลายคล้ายคือว่าที่ของเขานี่แนหะติดอยู่ในน้ำนนลงไปที่เป็นตรงเป็นเด่นลงไปที่ด้็นยันหนาวเด็กก็ บ, บุ้งจักลงไปก็ลงไปลงไปก็เปียกแล้วกิโจนผาขึ้นเหมือน โบต้องโจ้นครับอาจารย์ครับกระโโจ้นแล้วพราะว่าได้ว่ากับเนนนะว่าจิตลดมานะลดทิฏฐิเนนว่าได้ิปฏิบัติตามคําเนก็ลงไปลงไปพ้ามกับเปียกเปียกแล้วก็พอแล้วว่นเนนนะยังโบพอลงไปเติมเหมือนลงไปเปียกขึ้นมาแล้วกโบอยากลงแล้ววันี้ใจมันขัดอยู่เพื่อได้โบอยากลงเลยเนนโาบอกว่าลงไปลงไปจนน้าท่วม จีเป็นท้วมหัดคอมันเป็นเปียกมดเป็นตมเป็นเปียกมันขึ้นมาพอแล้วด้วยเนนเนอพอแล้วขึ้นมาครับอะไรเนเนบอกให้ขืนมันอย่างขืนเนนบอบอกให้ขืนกระบวกขืนเนนขึ้นบอกขึ้นมาแล้วก็มาอ้าวเนนสอนเลยสองกรรมฐานจีสอนผมหั่นกระบวกหัวจักหรือว่าจี บ, บอกให้กรูบาอาจารย์ไปผัดเสื่อผัดผ้ า, ผ า, ผาม า, ากระบวกหัวจักเพียงคนาให้ฟัง อาจิบอกไปผัดเสื้อผัดผ้าก่อนนะครัวันนี้อนเปียกอาจีบอกท่นสอนคือบอหรือว่าจีสอนคนสั้นปัญญาจีสอนทันทีกระบุ้งหัวจักแล้วบอกคนไว้ฟังแล้วเลยไปผัดเสื้อผัดผ้ากันว่าสมมุติไปผัดเสื้อผัดผ้าแต่เปลี่ยนเสื้อผ้ามากันมาเนี่ยเอาสอนเน้หนึ่งนี่ก็เลยบอก่อาจารย์นสมมุติจูงโผนจูงหนึ่งมีหูอยู่ห้าหู แล้วก็มีเหี้ยอยู่ในหูจุกโพนี้ตัวหนึง่งแล้วจะให้อาจารย์จับเหี้ยในที่จับได้โดยวิธีใดนึงเพราะว่าเรียนรู้แตกสาดหมดเลยนี่หักบุหูวจักซื้อโอ้ยเนยยีนขี้ยกให้ยั้งหมดเลยให้ใจไดนครับอัดหูเนี่อุดหูเนีนแน่แต่ห้าหูตัวเหี้ยมันต้องออกมาหายใจทางนอกที่คันหอกอัดหกหูแล้วมันจิ้ออกมาบนใดมันออกมาบานไดหูออกมว า, านบนใดมันก็บอกออก อจจัดเลยคหูแล้วก็มานั่งอยู่ปากหูฮันเจีอวค้อนตีเอาบริจะออกมาจับออกก็ได้แล้วก็นั่งอยู่ปากหูมันก็ออกมาฮันเจียวค้อนตีออก้อนตีรถฮันบอกค้อนตีก็จับเอารถอันนี้ก็คือกันนะครับเราต้องไปว่ามาัเรื่ออายตนะสิสองตาหูจมูกลิ้นกายรักษาใจที่เดียวใจมันคิดใจมันเป็นพวกคิดใจมันเป็นผู้รู้ โอ้อยันนั่นตีเนี่ยว่าตอนนั้นหนึ่งได้สําเร็จเป็นพระยบุคคลลพราะอาจารย์แตกศาสตรในปัญญานี่ยเป็นว่าการฟังต้องฟังให้เป็นแล้วก็ น, นําไปปฏิบัติว่าไม่ฟังแล้วเล่นเอาทิ้งไว้ซื้อในโบมีนั่นต่าจังวัดเขาต้องเลิกละาจาับผมทําซัวทุกประเภทเมื่อเฮายามโบเลิกราช ก, การทําซัวทุกประเภทแล้วใคยๆคือออกขี้เป็ดไปหลังที่ไก่เนี่แล้ว เอาคิดเป็ดปะลางขี้แก่มาขีิดีบวกมันก็เหม็นเพิ่มเหม็อนอิสระทันดีแล้วทำซั่วทำซัวแล้วทำดีทำดีทำซัวอยู่มันบุหี่ทำเต้นดีอันเดียวซสือต้นเนี่ยเอาแต่นาแไปลางของอฟฟซัวออกไปสือมันก็สะอาดขึ้นมาจิตใจเขาก็คือกานเดี๋ยวดีมันใจมันคิดไปร้อยอันทันย่างเขาบ่กเคยเหตุจิตเห็นใจเขาจักแต่เขายักดีแต่เข า, าขเขาบักว่าดีนั่นคือหนั ง, งเขาบอกว่จัก บางทนีันนะ น, นการทําวัดสวมดมนต์ตอนเศร้าตอนเย็นก็คือกันเข้ามาพยายามอบรมกันทําความเข้าใจกันในคืนนี้ได้อเทพมาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตสะจิตใจตอนเศรา้ามื่อนี้ก่เห็นว่าสมควรเนี่ยเพราะว่าทุกคนต้องทํำดีอย่าไปทําซั่วรู้จักเขารมนักถือพ่อแม่รู้จักเขารมนักถือกูบาลใจรู้จักเขรรมนับถื อ, า อ, ารถอประเทศศาสตร์บ้านเมื รู้จกักเขาล้มนถือคุณค่าของพระพุทธเจ้าจึงจะเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระเดียมคนได้คนหายเอาแหละที่ผมได้ให้ข้อคิด เ, เตือนเครื่องเตือนจิตเใจมาเนี่ยยังมีคนเห็นทุกคนเกินเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้พวกเราทุกคนมานั่งอยู่ที่นีขออ้างอี่เอาคุณของพระพุทธเจ้าและขออ้างอี่ยวาคุณของพระธรรมและขออ้างอี่เอาคุณของพระสงฆ์ มาเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยให้คุณค่าของธรรมะเนี่ยห่อใจของเราอยู่กําจัดทุกเนี่ออกไปให้หมดย้ายทุกเกิดขึ้นภายในจิตใจรูปร่างหน้าตาแข้งขามือเท้านี่เบ้สวยวบ้างามก็ตามๆให้จิตใจมันสวยมันงามให้จิตใจมันดีอะไรต่อ ไ, ไปคนนี่แข้งขาหน้าตามือเท้าสวยงามจิตใจเน่าเหม็นเปียบเสียเป็นวรร ยิงลายไปก็ของอุจลาเป็นัวกลมกวงสัวของคนขอให้ทุกคนทุกคนจะประสบพบเห็นเอาจิตใจสะอาดอิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจคล่องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเอาในชีวิตนี้จงทุกทุกคนฝังอะไมันจดจาได้ รมวัดเย็นก็ทา ส, สั้นๆเพื่อเป็นพิธีที่จะมาเล่าหรือมาเวาลธรรมะให้พวกเราฟังธรรมะนั้นน่ะบางคนบอเข้าใจบางคนเข้าใจเพราะระบบศึกษาตัวเราระ บ, บ้จักการควบคุมตัวเราศึกษาตัวเราให้รู้จักตัวเราควบคุมตัวเราหรือควบคุมที่ไหน ควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมจิตใจปฏิบัติธรรมะต้องให้รู้จักกายรู้จักวาจารู้จักจิตใจขั้นนแต่การควบคุมนันคือควบคุมร่างกายในรูปเจ็บหัวปวดท้องถ้เราโรคทางเนื้อหนังเขาัวจิควบคุมมันได้ยากหรือว่าอาจ่ได้ก็ได้มันต้องอาศัยหมอเือ เรื่องจิตใจนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งควบคุมจิตใจมันควบคุมได้เนี่ยร่างกายเนี่ถ้าหากว่ามันต้องการมันหิวร่างกายมันหิววุ้ไม่ใจหิวใจหิวกับร่างกายหิวมันคนละเรื่องกันร่างกายหิวมันอ้อนทียไปลี่ยนใจหิวแต่มันมันอีกเรื่องหนึงใจหิวคือใจมันยาก ใจ ม, มันอยากมั น, นอยากกินนั่นท่านสิใจมันหิวเมื่อใจมันหิวนั้นเขาจิตบุรู้จักเขาจิไปตามอาเริงไปเรื่องควบคุมโมได้เลยเห็นนเขาต้องปฏิบัติให้มันรู้จักถ้าหาเขาควบคุมจิตใจเขาโมได้เขาจิเว้าไปสเพเหระไปทําไปทุกสิ่งทุกยอย่างไปนั่นแหละเขาเรียกว่าบ้าควบคุมโมได้เขาบ้าเพราะใจมันทําไปใจมันคิดไปเอง อันนั้นมันคือว่าบุรุษจักการควบคุมตัวเองบุรุษจักการควบคุมจิตใจตัวเองร่างกายเนี่ยควบคุมมันได้บางอย่างมันอยากไปฆ่าไปซบไปต้อยไปตีมันอยากเว้าวสังเวสิ่งที่บควรเว้าวเนะี่ยคือว่ามันต้องควบคุมได้อันนั้นคือว่ามันอ้อนมันเพียมันหิวน้ําหิวข้าวปวดุจละปัจวุันเนี่ยควบคุมบัไดนน้มันต้องปล้อยไปตามนาทีค่ะมันหิว ต้องหาให้มันจีนเป็นสั้นถ้ามันปวดท้องอุจจาระต้องไปบวไปโบได้อันนี้เขาควบคุมโบได้ถ้าเป็นโรคเจ็บหัวปวดท้องน่ะอันนี้ก็ควบคุมโบได้เขาคันทับโบเมนเอาอยามาให้รักตากยาหมอหมอต้องมีความรู้ถ้าหมอโบดีกับโบโบหายือถ้าหมอดีหายผมนี่มองหัจักผมเป็นโรคอันนี้ควบคุมโบได เพราะว่าใสหมอผมไปหาหมอเขาตรวจเสร็จร่างกายในบางคนขงเขาก็บอกให้ซึ้งซึ้งสลุงพอไปอยู่กับลูกกับหลานจะมีกว่าเท่าแล้วนี่เขาว่าหมอบอกเอาท่านนะแสดงว่าหมอกระ บ, บุเขาจักคักถ้าหมอเขาจากขักก็เป็นโรคอันนั้นเขาต้องให้ยาทันทีลงไปผมเนี่ยลอยไปให้เจอเป็นโรคทีแรกมันอาจจะเป็นโรคกระเพาะหรือเป็นโรคอย่างกระบุเขาจากนี่พอเรากระบจัก จนเป็นมะเร็งขึ้นภายในกระเพาะคุณเป็นผมไปยุ่สิงคโปร์ครับทก้บ้านเขานในครอบคุมมันก็บมได้หลายเธออยู่ครับไปสิงคโปร์ในจานสุตติมูจานพายวัจจางโกวีผมนั่งกินอย่างบมได้เลยนอนโซมันก็อาเจียนกินน้าไปก็อาเจียนออกมันมัดว่ามีอย่างซิต้านหานมาได้ควบคุมโมได้ครับจําเป็นต้องหมอะควบคุมมันได้ ผมร้อนดูห่านยังมากินก็กินโมไรเป็นอะไรฮิ้วก็กินบมไรจนเท่าหมอเขาให้ยากินจนผ่าตัดที่เราเลี้ยงไปไม่เป็นอะไรนี่วมา้เขาจักศึกษาปฏิตัวเราปฏิบัติที่ตัวเราอันความเจ็บความปวดนั้นเป็นธรรมดาเขาก็ต้องรู้จักซึ่งที่มันจะแก้ไขต้องแก้ไขซึ่งที่ว่แก้ไขได้ก็มีเป็นธรรมดาเป็นต่อมาผมมาผ้าตัดพูด ในครั้งที่สามนี่แหละครับอันนี้ก็อาการหนะักครั้งแรกเนี่ยโมคุณสมบุรณ์โม่หลายคนแล้ววลานั่งกินขา้าวพเดี่โบได้ควบคุมโบได้นม่ได้ต้องมีคนตีอยู่ด้วยลูปอยู่ด้ยกินขา้าวมันเป็นลมมันกินโบได้มันแครเขา้าเนี่ยเป็นเรียก ว, ว่าแครเข้าบ้านผมกินบหลงหลมมันดันขึ้นมากินมันบนเป็นต้องมีคนรักษา ต้องมีสองคนตีทางหน้าทางหลังคุณเป็นประนันยุวันสนารรมในคนุณสมบูรณ์เนี่ยพยายามทํานี่แสดงว่าควบคุมได้ร่างกายเลยเป็นแต่ต้องอาศัยคนอื่นอาศัยอาหารอาศัยกานกินเนี่ยเรื่องจิตใจมันคิดฟุ้งซ่านลาคาเนี่ยเราควบคุมได้อเมื่อจิตใจเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องร่างกายไป็นอีื่งหนึ่งต่อมามา เมื่อไม่กี่วันนี้อีกเติมให้แม่เนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเมื่อนึงผมแม่รัดเวลาเดาเอาข้าวอันข้าวหนมเนี่ยของพ่อม่ข้าวหนมข้าวหนมปังเมือข้าวหนมปังกับโอวันตินมากินแน่นหน้าอกเลยกินแล้วกระยูโบได้เลยบันีร้อนขึ้นมาแน่นขึ้นมาออกมาหาคนที่ไปหายามาแก้แบบนี้มันควกคุมโบได้ยังไงก็เลยมาหาก็มาเนี่เห็นคุณการนี้มัน การไปซื้อเอาเปรบซี่มากับน้ำแข็งมากินกินเปรบซี่กับน้ำแข็งเอาไปหมอระบายตรง น, นแก้ไขต้องหาวิธีแก้ไขแต่เรื่องจิตใจนนั้เราจะไปเดือดร้อนมันคิดมันทุกข์ได้่นกว่าหัวใจมันทุกข์ไปมันเจ็บได้ก็ผู้จับเจ็บแผลนะพี่นควบคุมทางใจควบคุมทางร่างกายร่างกายนต้องหาหมอเรื่องหาวิธีแก้นน ย, ยังต้องการศึกษาการปฏิบัติแต่ต้องฝึกหัดไว้แต่ต้นหมือ ถ้าบกฝึกใครต้นมือบคนจะตายเลยพวกเนี่ยพวกจักเทศจากแดนบางคนนะลองห่มลองให้ดิ้นโลนอันนั้นควบคุมบได้ได้จิตใจควบคุมจิตใจไ ด, ได้แต่มันใจพวกนี้มันเจ็บมันเป็นร่างกายมันจิตายมันบุกมือรอบร่างกายมันบุกมือตายแล้วเขาบุกมื่อดอกแต่ว่าในขณะนี้ต้องควบคุมต้องช่วยมันสะกพอดเราก็ช่วยได้ต้องช่วยพวกจักตาย ดนั้นจึงว่าตั้งใจปฏิบัติทำมาเนี่ถ้าหากเขาจิบตั้งใจปฏิบัติจริงๆมันบมลูด้ะมันสิเพียงแต่ว่ารู้แล้วซื่อๆนี่ได้มันบมลู้ด้ะนี่จึงว่าเบิ่งนี่หนักศึกษานักเรียนเรียนมาคิดมากควบคุมโบได้เดี๋ยวผมคิดจ้ะเป็นบ้าก็ ม, มีเรื่องเป็นบ้า น, น่ยเพราะควบคุมจิตใจโบได้เป็นมุ้งไควบคุมร่างกายต้ควบคุมจิตใจ จิตใจมันฟุ้งซ่านแล้วก็เลยไปนัาผมคิดร่างกายอ้วนค้นสมวนบุญบเจ็บโบเป็นไม่ยั่งกับเจ้าก็เลยคุมมันวะได้เป็นว่าคนบุรู้จักวิธีควบคุมในเรื่องการฟังเนี่ยต้องตั้งใจฟังบุญม่คือฟังหมอลำด น, นตรีได้ฟังอย่างประวานฟังได้เอาไปแก้ไขปัญหาตัวเองพุนี่ผมจะฟังได้เอาทิ้มไปทีนี้บุเมอกัน ฟังแล้วบอกระต้องฟังต้องแก้ไขตัวเองแล้วบอกว่ายายเฮ็ดจะเฮ็ดในสมัยไปแก้ไขเด็บอกว่ายาเฮ็ดยังเฮ็ดอยู่มันก็แก้ไขโบได้แล้วเด็กแก้ไขโบได้ฟังซื้อหนึ่งเนี่ยคนจะดีจะซัวนี่ต้องอาศัยสิ่งแวดลอ้อมตาเห็นหูได้ยินได้ฟังกันหนอยตาเห็นเป็นยังใงตาเห็นคนทําดีก็มีทาชั่วกม็มีหูฟังบนเนี่ย คนพูดดีก็มีพูดชั่วก็มีอาจารย์จือว่าให้เราศึกษาลงไปที่ใจการเคลื่อนการไหวของรูป ก, กายภายนใะนให้เรารู้จักเมื่อเรารู้จักการเคลื่อนการไหวของรูป ก, กายภายนอะนจิตใจมันคิดเอเรื่องจิตใจคิดกับเรื่องร่างกายนี่มันควระเรื่องกันให้รู้จักนะอาัาเห็นอยู่เนี่ยผมนี้เห็นด้วยตาผมหลายคนนะผมประสบมา บางคนเรียนจบ ป, ปริญญาต ร, ารีปริญญาโทปริญญาเอกก็มีควบคุมโบได้เป็นหมอที่แท้ก็ควบคุมโบได้ก็มีนะบางคนคิดคิดคิดคิดสับสนวุ่นวายแล้วคิดแล้วก็กเลยเอาอะไรหมดเน่ยเกิดมีการขัดแย้งในตัวเขาจะเท็ดีบ๊อ่บดีเฮ็ดบ่อดีบ๊อสเนี่มันเป็นอะไรอยู่บน่านเนี่ยเรียว่าเรามีกาลังใจ หรือว่าบูรู้จักจิตใจตัวเองในวันถัดไปเป็นอาศัยจังหวะมาที่นี่ที่เรามาฝึกหัดกันพระคือกันโยมคือกันต้องปฏิบัติแบบเดียวกันนั้นปฏิบัติให้รู้ใจของคุณนะี่ใจมันคิดให้รู้จักใจมันขี้เกียจขี้คานให้รู้จักใจมันขยันขันแข็งให้รู้จักใจมันยุ่ซื่อให้ไม่รู้จัก ใจมันคิดโกธคิดโลกคิดหลงให้รู้จักคุณไอ้คนรู้จักแล้วเยสันเนี่เอามาใส่กระเปานี้หมดนีใจคิดโกธเหอกกระโบโกธรหอก็เห็ดมันเนี่ยหอกกระยุ้งซื้อว่าซื้อว่าหน้าที่ของเขาคุอย่างว่าพ่อแม่ให้รู้จักหน้าที่ของพ่อแม่ลูกให้รู้จักหน้าที่ของลูกครูให้รู้จักหน้าที่ของครูครูสอนนักเรียนไปเรียนหนังสือก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองนักศึกษา การรื้อจากหน้าที่ของตัวเองนักศึกษาในผมถามเรียนปหนึ่งถึงปหกเรียนมัธยมหกกันไปยังเป็นนักเรียนยอยู่ยังได้ให้มีครูมีอาจารย์ควบคุมตกลงเป็นนักศึกษาเรียนปริญญาแล้วบม่ได้ควบคุมนะรักษาตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้โบได้ได้ผบเบิ้ลจีได้อย่างยี้เป็นบ้าอยู่เี่จีไม่ควบคุมตัวเองได้บท น, นั่นเนี่ยเพราะว่า โบมาแก้ตัวเองอย่างเดียฝึกหัดไว้พวกเขาอย่าเป็นอย่างนั้นคนน่ะต้องรู้จักนี่ยพรมก็คือการแต่ก่อนบรู้จักนเฮ็ดกัเฮ็ดว่าใจมันดีอยู่เรื่อยเฮ็ดอย่างว่าแต่ดีอยู่เรื่อยมันเข้าข้างตัวอยู่เสมอม่นโบ้หุ่จักบ้เห็นจิตใจมันโลภมันโกธมันหลงโบ้เห็นมันเข้าข้างตัวอยู่เรื่อยเฮ็ดนึกว่าดีละเฮ็ดและวดีละมันคิดว่าใจดีอยู่เรื่อย ส่วนในโบหิตบหิตจะได้เห็นส่วนเราคิดว่าจะดีซื้อคนโบราณพอแม่ปู่ยาตายายคนนัะน่างไปนําฐานนะต้องเหลี่ยวหน้าเหลี่ยวหลังเหลียวซ้ายเหลี่ยวขัวเหลี่ยวเบื้งตัวเองบ้างเหลียวหน้ากเบาคือเบื้องให้วะเหลียวไปแต่ข้างหน้าเราจีเห็ดได้จีดีบอดีบ่สเหลียวไปข้างหลังมันเนี่ยเราเฮ็ดอันใดมาแล้วมันดีบอมันสั่วบอ เจ้าของตรงหุ่นจั่งเดี่ยวหน้าเลี่ยวหลังเรี่ยวข้างซ้ายข้างขวาขเนี่ยเรียบมือมือเพื่อนมู่เพื่อนเฮ็ดจังไหนเขาดีหรือเขาบดีเขาเฮ็ดจังเพื่นว่าเรียบมืงตัวเองแับเนี่ยกำลังนึกกำลังคิดอยู่นี้เพื่อนว่าังวให้ควบคุมตัวให้ได้ควบคุมรูปอันนี้ถ้าหากว่ามันเล้นโลนเกินไปควบคุมมันได้ใจมันคิดขึ้นมาแบบเนี่ยควบคุมมันได้คนขวาดีแล้ว การศึกษาหลักพุทธศาสนาบาปบุญศึกษาหลวงพิธีตรงนี้นะบุญเป็นพี่มาซอยบุญเป็นเทวดามาซอยคนทุกเพราะยังทุกเพระบุรู้จักกินบุรู้จักไสบุรูกกออออร้จัก่าบุรูจร้จักเก็บเป็นว่าคนดีเพราะยังเนี่ยมีเงินมีทองเพราะรู้จัก่ารู้จักไสรู้จักเก็บเป็นว่ารู้จักแท้แบุญเป็นใจว่ารู้จักละว่าซื้อได้ผมเนี่ยเคยติดบุรี สู้บุหรี่มาสูบมาตั้งแต่น้อยคนนี้พ่อแม่ฝึกหัด น, นพ่อแม่ถือว่าบุหงาจักหักลูกโดยใส่โมเป็ดเอาบุหรี่ให้ลูกไปใต้ไปจุดไฟไปจุดไฟให้พ่อได้ไปต้องไปไปต้องสูปป้คนนี้อันนี้แสดงว่าใส่ลูกบอเขาเรื่องใส่ลูกโมเป็ดเป็นอย่างไรก็เลยสูย้ยาเป็นสววนนนปปู้แล้วโบออกเป็นได้บริจันทร์เทาไปปฏิบัติธรรมะทีแล้วคน อายุ46ปีบ่คคล46ปีนี้ผมเพราะผมเกิดเดือนสิบปีกุนเดือนสิบผมไปปฏิบัติธรรมผมรู้จักเดือน 8, แปดแเดือนเก้าเดือนสิบเพราะเดือนสิบไปย่างจริงเขา46ปีแต่ผมอยู่ปฏิบัติตัวของผมอยู่จนินฮอดเดือนสิบเอ็ดเพ็งอย่างใ น, นออกขันสาผมไปปฏิบัติธรรมพันสาเนี่ยผมรู้จักธรรมะตั้งแต่เดือนแปดทีครับ พูดจั่งแล้วผมเลิกได้ข้อมซัวทุกประเภทผมเลิกได้ครับสู้บูรี่ผมเลิกได้ไปดูการเล่นเ่นการพนันฟังนนตรีฟั ง, นนฟงขับลําพําเพลงผมเลิกได้เมื่ไหวพี่ไหวเทวดาผมเลิกได้เมื่ทุกสิ่งทุกอย่างผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจอย่างเต็มที่ว่าเอามาพูดเอามาสอนเอามาแนะนำไปตักเตือนกันจะมาฝึกขัดให้มันรู้ดีๆ จะให้พี hmm. ่มาควบคุมเขามันที่มาควบคุมยังได้ของพี่เหมือนกับว่ามีเด้จะให้เทวดามาควบคุมเขามันเทวดาสิได้เหมือนว่ม <pal> ีเพี่คือคนทำซัวพูดซัวหน้าลือหน้าด้านนั่นแหละเคยได้ยินว่าว่าบักธีก็เป็นว้ายากเนอะเคยได้ยินว่าว่าถึงเคยได้ยินบอสได้ยินว่าเออเนี่ยเคยได้ยินบอบัดเนนได้บัดเนี่ยพระเดนียเอ๊พระของค์นี้เนียนองนี้เกิดเป็นว่ายังคือพี่นั่นเอง มันต้องคือซื่อๆนี่เน๊ะบ่เห็นจิตเห็นใจพระนบมนี่ร่างกายเป็นได้เป็นผีใจพ่ะนี่เป็นผีอยีางน่เป็นอย่างนี้เกิดเว้ายาตบักผีบัะเนี้ยเนี่ยอีผีบะเนี้ยเนี่ยพระผีเดนผีจะเนี้มันเวาญาตเป็นไวคนเว้ายาก์นี่ของเราเป็นผีผีหงุมผีฮาผียังสารพัดมันเป็นอย่างไรเทวดาบะเนี้ยคนเวาดีเวางายสอดไง เวง่ายคือเทวดาเนาะแมกขวายเทวดาก็าบอมีตนว่ามีตัวอย่างโตคนเวง่ายพุ่งเวง่ายเข้าใจง่ายพุ่งพระเจะาอวหินี้คนละอายแก่ใจละอายใจพุ่นเนี่เห็นใจพุ่งเนี่โอตะปะควมเกงกลัวต่อบาปบาปคือมันมืดเหมือนบูฮุจักจิตบูฮ้จักใจเพระเจ้าสอดให้เราเบิ่งจิตเบิ่งใจนีอันเทวดาก็คือคนทำดีพูดดีคิดดี เมืองสวรรค์บัดเนี้ยก็คือยุ่นดีกินดีอารมณ์ดีบุทุกบุญญาบุเดือดร้อนปัญหาเพิ่นเอิญเมืองสวรรค์นันเนิพพานบัดนี้ยเพิ่นว่านิพพานคือความบ่สับสนบ่วุ่นวายบ่เดือดร้อนเพิ่นว่าจยางกัอ่เอิญนิพพานคือมันบ่มารบกวนเขาเขาเห็นรู้เท่ารู้ทันรู้ถึงเหตุการณ์ของมันเพิ่นเอิญนิพพานเพิ่นเอิญโลกียธรรมโลกุตละธรรมโลกิยธรรมนั่นคือว่าคิดอยู่กับโลก บมื่วางโลกใดเขาเอิญโลกกยาทัมันผู้ห้างไก่ครบผู้ยังยกไก่ไก่จากนิพานแรกที่ไปนิพานนะี่ยสมมุติเอาคือว่าเขาอยู่บ้านเขาเนี่ยเขาทีไปกรุงเทพเสมมุติกรุงเทพนี่เป็นนิพานบ้านเขานี่เป็นโลกกีนยาทับเขาเนี่เมื่อกีไปกรุงเทพเน่ยไปฮอดขอนแก่นไปฮอต ไ, ไปลงรดลงอย่างเล็ดเดียวนะตอโบตอเนี่ยไปโบหอดแล้วตายเครื่องทางนั้นคนเอิญโลกกีนยะหนึ่ง โลกีเนี่ยบัดนี้พระอตั้งใจไปเนยไปฮอดกรุงเทพโอเลเทนไปเบิ้งสนามหลวงไปเบิ้งทุ ก, กอกทุกซอยทุกมุมโอ้ลักษณะของคนกรุงเทพการทรรมาหากินไปอย่างนี้เน่อยหุจักอันนั้นเอิญหลวง ก, กุตาลธรรมพิจารณ์นิพพานเหมือนพราเขาไปหู่นจักนิพพานคนทุกคนต้องตา ย, น, า ย, รร น, ายนี่พอไหวฟังยกเว้นบ่ใดนี่พระเอิญสัจธรรม ตายแต้แท้ดินะผู้น้อยก็ตายผู้ใหญ่ก็ตายเจ้าหัวไอจุนตายมัดทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยที่อย่างพอวานคนไทยก็ตายเป็นคนจีนก็ตายเป็นคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคน อ, คนอเมริกาคนคัมเรนคนญวนคนลาวตายเป็นมนัดนี่เพราะเอื้อนสัจจะทำสัจจะแปลของจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้พนวานสั้น แต่ของที่เป็นหุ่นจักสัจจะอย่างที่โบได้ไปโบไปผิดสัตว์บได้ทำโบทําผิดอันนั้นจริงอยู่เขาเอิญโลกิยะธรรมอันเนี้ยคําว่าสัจจะเนี่ยหมายถึงความตายนี่แหละเขาชิดศึกษาให้หุ่จักรกลมตายนี่แหละชิตตายด้วยความทุกข์นึกิดตายด้วยความบอบิทุกข์คันตายด้วยความทุกข์เพรานเอิญโลกียธรรมตายด้วยความบอบิทุกข์เพรานเอิญลกุตาลธรรมตายด้วยความทุกข์นะคนว่าตายโดยมือมีสติโดยบม่รู้สึกตัว ตายด้วยบนบุยทุกข์นั่นพวกตายโดยมีสติตายโดยรู้สึกตัวเป็นวันจันทร์จิตว่าให้ศึกษาให้ปฏิบัติเป็นวนันมีเงินลอยล้านกระตายโบมีเงินกระตายเป็นี้เฮียนหนังสือจบปริญญายเอกกระตายโบได้เรียนหนังสือกระตายบวชกระตายเรียนหนังสือทางธรรมมาจบประโยคเก้ากระตายโบได้เรียนหนังสือกระตายจะว่าความตายจิวิวแม่นอนที่สุดเขาจิสร้างความดีหรือจิตสร้างขุมส่ ว, วนเป็น มันมีสองอย่างเท่านั้นเอ้จิตสร้างคามซั ว, วรหรือก็เฮ็ดซัวลงไปแล้วเฮ็ดสูงซัวไปจี้เฮ็ดให้เ์สรางคมดีลงไปก็เลิกขมซัวแล้วบเลิกข่มซัวแล้วควมซัวก็นหนีหมดที่ซื่อนี่คื อ, อยังผมวานนี่นะีอยยังอย่าพอวานอย่งพอเลิกสูบยาก็เลี้ยวซื่อนีอ่นะมันป็นมาลูกวนไม่อย่างคามซัวอันนึ้งเลิกไปเล่นเนบี้ยเล่นไพ่เบิ้งขเจ้าเล่น เ, นเนบี้ยเล่นไพ่เบิ้งมาโหระพศคบงาน ดูหนังเนี่ยก็เล้าซื่อๆนี่น่ะมันไม่ให้ยังให้ห่าหอบหู้เหมืนเด็กอันใจมันคิดอยากไปเลยเนี่ยอยาให้ดูจิตดูใจใจมันอยากไปหักข้ามบรรไดนี่เป็นวาใจมันอยากเฮ็ดหักข้ามบรรไดนี่เป็นวาดูจิตดูใจบันนี้ที่ดูซื่อๆนี่เนี่ยอันนี้เจ้าของดูซื่อๆมันอยากไปกับปานไปว่าหู้จักใจเถิดบแมนเนี่ยควบคุมโบได้นังควบคุมกายโบได้ควบคุมจิตใจโบได้ดังนั้นจีว่า ให้เข้าใจตั้ง อ, อกตั้งใจฝอกปฏิบัติถ้าโบตั้ง อ, อกตั้งใจพึกปฏิบัติแล้วโบได้เลยนี่แหละปัจจัยแท้ๆพระพระเจ้าทุกพระองค์และพระสาวกทุกพระองค์ต้องรู้จักวิธีตายแล้วเฮาเนี่ทุกคนรู้จักมั้ถ้าฝึกหัดมันเพราะนี้ว่าคนคนตายอย่างพอเข้าใจอย่างาพะ อ, อายุ46ปีกำลังย่างไปย่างมาตอนเสา ให้มันตายส ก, ก้อนแม่ยังหู้จักเนีควขมตายดิเมันว่าไม่ตายเลยมันหมดซื่ อ, อดิหลยหมดเนื้อหมดหนังหมดเลือดหมดยางมดทุกอย่างที่ว่าคือตายสมมุติเอาให้ฟังหนึ่มีพาของบาทแนขนครับบาทนี่ยตัดฟกลงเสไปเลือดบางทีมารวมตัวออกปากบาทนี้บาด น, นี้พอดีของหู้จักตัดปุ๊บลงไปดิมียาที่เจอให้ไหมด เลือดมันที่บวมมาปากบาดมันทีกลับคืนไปทางพุ่นทางพุ่นทางพี่มีกลับคืนเนื้อหัวทางพี่มันเลือดมยิ่กลับคืนกับพี่นปากบาดมันทีบวมออกนี่มันที่เป็นอย่างสั้นเน๊ะของที่ตายเนี่อย่าพ่อเคยไว้ฟังเอามือไปแตะก้นกูน้อยมันขาวพอดีเขาเอามือมันออกเอามือออกแล้วมันแดงก้นกุ้นน้อยมันแดงแข้งขามันแดงเขามือกดเข้าเป็นขาวมันทีเป็นอย่างสั้นที่เป็นนั้นมัทุกคนนี่นะที่ประสบอันนี้ทุกคนนี่นะ โบนยกเว้นทั้งมัดเบอเดียวหู้กระตายโบหู้กระตายหูวก็เป็นบบหูวก็เป็นเทว่าศึกษารู้จักอันนี้แหละเป็นสิ่งสําคัญที่สุดอืถ้าหาโบจักจุดนี้เราโอ้ยกือโใไซคนนั่นโบแมงคนนั่นคนอยู่หน้าตาแข้งขามือเท่าคนอยู่เพราะเกิดนําคนนี่เป็นลูกคนเนี่ยคันถ้าคนก็ต้องเลือกคัดจัดหาเอาได้เทวเลือกเขา อันใดเหมาะสมกับอาอันใดบ่เหมาะสมกับบ่เอาคุณว่าจังตังยังมาให้ตั้งตั้งใจเวลามันน้อยมื้อนึ่งประศิษสองชั่วโมงนึ่งแบบเนี้ยเขามีเวียกจังไหนเขามาบวชเนี่ยเขามีเวียกจังไหนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องปฏิบัติการงานสิ่งที่มันมีไปเฮ็ดเนี้ยทั้งจังตังอันนี้บเ่เฮ็ดยังปฏิบัตกิบบกระบ่เอาการงานกระบ่เอาก็เสียหลักแล้วเนี่ย เขาบุญเขาจักบุญคุณของเขาที่มาเกิดเป็นคนนี่แล้วนี่ยมาเกิดเป็นคนนี่ยากไหมบุยากเลยน้เนขาเบื้งแม่คนมาเกิดเป็นคนบางคนเขาทองแม่มาแล้วตั้งทองขึ้นมาแทงออกมาเป็นวันได้เกิดเป็นคนสําเนี่ยผู้หันตายแลบางคนเกิดออกมาได้เดือนนึงตายไปกามีให้บางคนบางคนเกิดมาเป็นนุ่มเป็นสาวตายไปกามีนี่วัฒนได้เข้าวัดตั้งทำวัฒน์หัวจักมีนัง่งอันนี้แหละพนวดเหลี่ยวหน้าเหลี่ยวหลัง บางคนเป็นพอบ้านเมงไปตายก็มีบูชาผิดทุกข์ไปยังเนี่ยคนว่างานไปเดี่ยวหน้าเดี่ยวหลังเดี่ยวใสเ่เดียวหัวเขามีชีวิตอยู่เนี่ยหิดเห็ดหิดถังมาทํามัดเซาวัดเย็นทํากันในน้อยๆอบรมก็ให้มันดีให้ตื้นเดึกลุกเซาว่ายพาสุดห ม, ดหมู่หึวงพอเมสส์อันนี้หอมคารเฮชิมันก็ไ่เป็นนิสัยทางที่ดีแล้วมันขี้านเขาบริจากเห็ดแล้วบนเนี้ เพิ่นว่าอันนี้อย่าพอไปเทศที่สยนต์กรุหมาะพาเทศให้ฟังเลยเทศข้าเจ้าซอยคนที่คานมันบ่ฮอนดีเลยท่านเป็นคนอับปีทุกโจนหุ่นไห้ท่านคานเฮ็ดให้เฮ็ดนาเป็นคนคนยากเป็นคนทุกคนยากเที่ยวหาขอทานเที่ยวหาขอเข้าสุขเข้าสันเป็นไปไส้วัดว่าอารามเรียบังต้าเป็นห้าเป็นหามห้ามาเมื่อแหลงแล้วคนนั่งคอยจุก ถาเพิ่งอิ่มแล้วเดี่ยยกผักเข้าออกมาเนี่ยฟ้าฟูฟ้าฟังยัดแต่โบดได้หลายเลยคือคนที่ตายเนี่ยและเมียคุณพอนะขจาวภาอุนมาวอรีาา่คนฟังอย่าคพนพยายามจำอะไรเนี่ยคานบดีเรีคนในขาจามีกินมีใสขาจาบุคา น, น, นเนี่ยเปิ้งไหมกูกต้นไม้ต้นตอกทนมันออกมาได้กินอยู่ใส่ปัดกวดบโบหกเกี้ยงแตนแล้วก็หาเงินหาทองให้่ กบฏจนแล้วกูหันรู้จักเก็บรู้จักหารู้จักใส่อะไรแบนี้บัดนี้คนบม่รู้จักหาบม่รู้จักเก็บไ่รู้จักใส่บ่มีเลยรู้จักแจกอหาซื้อใครไม่รู้จกัจกเก็บก็บม่ได้อีกตันี้คน ม, ม, มาว่าให้เนี่ยพบฟังม่เหตุกาทันจีดีนะลูกหลานนี่แหละอย่กกาขวัญวัดดีได้คิดวโอ้ยดีดอกาบูดีเพราะโบกเก็บไปแจกแจกไปให้รถให้อย่างนึงเที่ทุกครั้งว่านีอ้า คนต้รู้จักเก็บมังกรจิได้บ่อห น, นึ่งนะมันก็บ่ดีแล้วต้องรู้จักเก็บรู้จักหารู้จักใส่พวกเขาให้หูจ้จักเล็กเล็กน้อยมาอยู่นี่คือกันต้องทําวัดเสาวัดเด่นยาคารฝึกหัดตัวเขาเขาที่เป็นคนดีความดีของเขาในประโยชน์ใส่เขาญี่ปุ่มีการขัดแย้งกับมุขเพื่อนมันขัดแย้งตัวเขาไปได้คี่คานไปทําวัดคี่คานไปให้มันมัวเห็นพวกขัดแย้งพวกใจพวกนี้มาขัดแย้ง โบเบนรูปเขาดีเนี่ใจพวกนี้มันเต็ดบัดนี้เขาไปยุ่งแ่กับผู้ท่นจีเฮ็ดบูดีผู้นี้เฮ็ดบูดอย่างมันจีขัดเนี่ยต่อโมกูเนี่ยเขาจีเฮ็ดดีบูได้เขาจีเสียสละบูได้ได้เป็นเพื่อเนย่ยว่าเสียสละให้โมซักเขามาเฮ็ดได้ดีหรือซื้อเนี่ยคนท่านนั้นมันอยากดีมันก็ดีเองขันมันพวอยากดีก็สร้างมันแล้วเป็นอย่างนใ้น้เพื่นี่ยว่าฝึกขัดการทําวัดสวดมนต์เป็นหน้าที่มาอยู่ที่นี่ทุกคนอย่างพอวานเป็นหน้าที่ทุกคนต้องทํามันหน้าที่ทุกคนเนี่ ย่าพระทรงองค์เจ้ากับหน้าที่เป็นการฝึกขัดเนี่ยฝึกขัดเขาจะเป็นนิสัยย่าพ่อนี่เยเคยเป็นนิสัยตั้งแต่เป็นหนิงคุบาเคียนตีให้ลุกเด็ก น, นอนก็นอนหลังคุบาอาจารย์ได้ย่างพอบุรีเธอนักอย่างถึงเวลานอนต้องนอนแต่ต้องตื่นถึงเวล า, าห้ามจิตตื่นพอดีคนกรุงเทพก็คือคนบ้านเรากระจา้า หกทุมนี่บัได้นอนตีสอบอยู่นอนไปตื่นเอาพูดหกโมงหรือโมงเ้าร์เจ็ดโมงเาร์เขาจะรีบไปทํางานไปเขาจีเอาแบบนั้นมาบัวได้บ้านของบัได้เขาต้องศึกษาต้องปฏิบัติจริงๆที่อยาพอวานตื่นเดึกหกเบเารเรียนหนังสือก็ต้องตั้งใจเรียนสอบรายได้มีประวัติถ้ามันดีถ้าเรียนบดีประวัติบดีก็ไปสมัครขอกบุกให้เอาเด้่อย่างพอถามว่าในสมัครรับสมัครจากสิบคนเนี่ย ที่เอาสิบคนเนี่นะไปเป็นพันๆอย่าพ่อถามข้าเจ้าอย่างพ่อไปเทศโรงพยาบาลอำเภอกุฎบาทเขาเอาคนร้อยกว่าคนสมัครเป็นมื่นพูดนะเนี่ยที่เป็นหวังตั้งแต่เป็นเจ้าเป็นนายจีนเงินเดือนหมต้องทําการทำนานานเนี่ยสมัคร บ, บรัได้กับบัวได้แหล่งก้อนเขาที่เอานั้นเขาต้องสืบประวัติประวัติเบื้องหลังดีสั่งใดซ่วเจนเนี่ยขาเจ้าจีบู้จักที่อย่างพ่อมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นวิธีที่ควบคุมตัวเขา ขัดข้ามตัวให้มันได้ถ้าหเอา ข, ขัดข้ามตัวหอบได้ก็เต็มทีได้เกิดเป็นคนเสีย้ยวควมเป็นคนเล็กที่หลวงพ่อได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสะ ก, กิดใ จ, จมานี่ก็เห็นว่าสมควรแล้วเนี่ยท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสนและญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยูนรร่นสถานทีนี้หรือเดียว น, นี้นี่แหละอาตมาขออ้างอิงองอค์ของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําำคำังสอนขององค์สมเด็จพระธรรมมาธรรมเจ้า และคุณของพระนต า, าสาวกพระสมาสมุทรยมาเตือนจิตสกิดใจของพวกเราให้พวกเราได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่พระพิจ้าสอนเอาไว้นั้นว่าซับทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงนั้นและจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตรถาคต น, น, น, ตคตนี้อันคือตถาคตนั่นคืออย่าง คือจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจค่องใสจิตใจว่องไวจิตใจเขาเนี่ยสามารถว่องไวเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นแหละคือจิตใจของพระพุทธเจ้าเม่เป็นโตแข้งโตขาโตเนื้อตัวหนังเป็นโตจิตใจมันเป็นโตสามารถผู้จักนั้นเป็นเพื่อเอิญจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบ จิตใจบริสุทธิ์หมดเลยจิตใจพ้องใส่จิตใจว่องไว้ตัดสินลงไปแล้วบบผาดพูนเอาว่าจิตใจเห็นแจ้งจิตใจรูจริงปุณหะวิปัสนาจิตว่าตั้งเก้าล่วงภาวะเดิมหมนวะตัางเก้าแท็จลองเท็บมึงเนี่ยมันจีบเป็นเท็จอย่าพ่อหูจักอันนี้แหละจิงว่านํามาบอกมาสอนพ่อแม่พี่น้องลูกหลานอยู่อยากให้ทุกคนนี่แหะพ้นประยัคข่วมทุกอันนี้ เกิดมาสาติหนึ่งก็ตายเถื่อเกิดมาสองชาตตายสองเถือเกิดมาสิบชาตายสิบเถื่ออันนี้พูดว่าเห็นพิษเป็นภูมคนเกิดมาแล้วอ่โบอยากตายมาที่ทนได้บอกโบตายนี่พูดว่าเห็นพิษเกิดมาต้องตายพระพุทธเจ้าถึงสอนบอให้เราอยากเกิดไปนะเพราะเราเห็นพิษเห็นไัตัวมาเกิดพูดเล้ตัวจิตใจไม่ได้คุมมันได้ในเะนีย่ยพอวานี่นะ่ะคุมวัตถุมาเกิดพูดเลยนี่แหละ ขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาในชีวิตนี้นึเวลาอัใกลน้นี้จงทุกทุกคน